มาตมโมฟังวันนี้เรามาฝึกทำสมาธิกันเพราะว่าการฝึกการทำจะทำจิตของมนุษย์ทุกคนที่ได้ฝึกนั้นให้เป็นผู้ที่ประเสริฐขึ้นมาได้ทันโตเสโวมนุษย์เสสิคือบุคคลผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ กว่ามนุษย์ทั้งหลายเรามาเริ่มต้นการฝึกด้วยการตั้งสติขึ้นถึงวังสติหมายถึงการระลึกได้แทนที่จะให้จิตของเรานั้นไปเปลอเปลินตามสิ่งต่างๆที่เป็นความคิดนึกคือธรรมารมพันมาทางใจที่เป็นเสียงผ่านมาทางหู เป็นภาพ่านทางตาระเอาภาพนี้มันหายไปกันด้วยการหลับตาจะหลับตาได้ก็นั่งสก่อนด้วยการตั้งกายตรงดำรงสติไว้ฌานาจะตั้งกายตรงนั่งลงได้ก็หาเซนาสนะอันสงดอาจจะเป็นซักมุมใดมุมหนึ่งในคอฟฟี่ช็อป หรือเป็นที่บ้านห้องนอนเราห้องบ้านของเราหรือห้องโถวที่ว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องติดต่อปฏิสันฐาร์พูดคุยกับใครมุมที่จะไม่รบกวนคนที่เขาเดินเข้าเดินออกหามุมหาที่หาจุดได้แล้วนั่งลงตัมฟังอย่านอนถ้านอนอยู่ก็ลุกขึ้น ให้ตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคำว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้าหมายถึงไม่เพลินไปตามเสียงเพราะว่าหูนี่เราก็ปิดไม่ได้แต่ฟังอาจจะฟังเสียงนี้อยู่ด้วยเครื่องเล่นด้วยหูฟังว่าอย่าเพลินไปตามเสียงจมูกมันเปิดอยู่มันปิดไม่ได้มันดองหายใจ ก็อย่าเปลี่ยนไปตามกลิ่นที่มากระทบสัมผัสทางกายไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะอุน่นไม่เปลี่ยนไม่ปรุงแต่งตามไปเราปิดช่องทางทั้งห้าแผ่นเปรียบเหมือนกับเวลาที่ตัวเงินตัวทองตัวหนึ่งมันหนีเข้าไปหนีจอมปลวกอย่างหนึ่งที่มีรูมีช่องอยู่หกรู คนที่เราจะเข้าไปจับเขาก็เอาอะไรไปหุดไว้ห้ารูที่เหลือเปิดรูไว้รูเดียวแล้วก็ขุดลงไปตรงนี้ขุดลงไปขุดลงไปเดี๋ยวต้องได้เจอตัวเงินตัวทองนี้แน่นอนตอนนี้เราจะฝึกจิตเราต้องจับจิตของเราให้ได้ซะก่อนเราจะฝึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แต่บ่ฟัง พ ร, ระราชาเปรียบเทียบกับช้างหรือม้าที่จะนํามาเป็นช้างทรงหรือม้าทรงของพระราชาเป็นของคู่บารมีหรือว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาได้นั้นจะต้องผ่านการฝึกซะก่อนจะฝึกมันได้ต้องจับมันให้ได้ซะก่อนจะจับมันให้ได้ต้องมีวิธี เหมือนกันเราจะฝึกจิตให้มารู้อริยสัจให้เห็นตามความเป็นจริงให้เกิดปัญญาให้เป็นจิตที่ประเสริฐขึ้นมาต้องจับจิตให้ได้ซะก่อนถ้าจิตของเรามันยังวิ่งวุ่นเด็กนนี้ไปตามเสียงผ่านทางหูเด็กคนนี้ไปตามความคิดผ่านทางใจเ้วกคนนี้ไปตามเกลิงผ่านทางจมูกวิ่งวุ่นวนไปมานี่ ไม่ได้จับมันไม่ได้เลยอุดช่องทางเหล่านั้นเสียไม่ให้จิตนั้นมันออกไปไม่ให้ออกไปทางตาหลับตาสิไม่ให้ออกไปทางหูเอาฟังเทศนี้ก็ได้เอ้าไม่ฟังเสียงอย่างอื่นไม่ออกไปทางจมูกทางลิ้นก็ไม่ได้ดมอะไรไม่ได้กินอะไรอยู่ห้องที่มันสงัดแล้วนะ่ะจมูกลิ้นกายนี่ยถูกปิดหมด ไม่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกอุณหภูมิคงที่ไม่มีใครทำอะไรให้เกิดกลิ่นเกิดเสียงเอาละทีนี้ปิดไว้ห้าช่องทางแล้วปิดห้าช่องทางแล้วเหลือช่องทางเดียวคือช่องทางใจเหมือนจับตัวเงินตัวทองปิดหมดแล้วห้ารูเหลือรูเดียวขุดลงไป ขุดลงไปกิริยาที่ขุดลงไปนั้นคือการทาความเพลี่ยนเราเหลือช่องทางใจทางเดียวขุดลงไปขุดลงไปนั้นคือการทําความเพลี่ยนเหมือนอย่างที่เราทําอยู่นี่แหละ ต, หตั้งบังหนังตั้งกายตรงดูลมหายใจของเราวิธีการที่เราจะกําหนดสติตั้งสติไว้เฉพาะหน้ามันมีหลายวิธี ไม่ว่าจะพุทธานุสติศีลานุสติจากานุสติในที่นี้เราใช้อานาปานาสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือในการขุดลงไปคือกิริยาที่ขุดนี่คือการทําความเพี้ยนคเครื่องมือที่จะใช้ขุดลงไปนี่คือปัญญาหรือว่าจอบปลว หรือว่าอุปกรณ์คือปัญญาในการที่จะขุดลงไปขุดลงไปปัญญาจะขุดลงไปได้คุณต้องมีกาลังคือสมาธิจะมีกำลังคือสมาธิได้ต้องตั้งสติเอาไว้เล็งให้ดีมันจุดไหนสติจึงเป็นเครื่องที่เราจะทำให้เกิดสมาธิคือกำลังที่จะก่อให้เกิดปัญญาต่อไปเราจะจับ ของเราได้รวบรวมสติสัมปชัญญะเข้ามาตม้งเปาังตั้งสติไว้อยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันอยู่ทั่วไปหมดเพราะมันคืออากาศเหมือนกันไงอากาศที่อยู่รอบตัวเรานี่เวลามันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันก็เป็นลมอยู่เวละลมเคลื่อนก็เป็นในตัวของเรามก็เป็นอากาศในตัวเราในร่างกายของเราก็มีท่านลมที่เริ่มจาก ปอไปตามกระแสเลือดผ่านไปตามอวัยวะต่างๆใช้เป็นสารประกอบในการเผาผลาญอาหารให้เกิดพลังงานความร้อนกับเคลื่อนอวัยวะต่างๆในร่างกายได้ร่างกายเรานั้นมีธาตุลมอยู่มีอากาศอยู่อากาศภายนอกเป็นอย่างไรอากาศภายในก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน คือเป็นอันเดียวกันอากาศภายในเป็นอย่างไรเวลาหายใจออกมาดูดิมันก็ไปรวมกับอากาศภายนอกอย่างนั้นเหมือนกันเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่รอบตัวเราก็คืออากาศที่อยู่ภายในตัวเราผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ร่างกายหรือเอาเฉพาะสารที่ร่างกายจะใช้มีออกซิเจน ผ่านออกจากในร่างกายนั่นคือกาบันรด อ, ออกซายผ่านระบบทางเดินหายใจออกไปข้างนอกเข้าออกอยู่ทุกๆวินาทีทุกๆตลอดเวลาเพื่อให้ร่างกายเรานั้นดำเนินทรงตั้งอยู่ได้โดยความเป็นชีวิตสังเกตตรงนี้อากาศนี่แหละ สังเกตดูรอบตัวเราตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงปลายผมปลายผมลงมาจนถึงปืนดาวถูกห่อหุ้มด้วยอะไรท่งก็จะบอกว่าหนังสลยสิห น, นังถูกหุ้มด้วยอะไร่อเสื้อผ้านลยสิเอาเสื้อผ้ารอบตัวมันเป็นอะไรมันก็เป็นอากาศไงเรานั่งอยู่บนโต๊ะมันก็อยู่ในที่ที่มีอากาศ เรานั่งอยู่บนเตียงมันก็เป็นที่ที่มีอากาศห้อมล้อมอยู่หายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่แหละอากาศเดียวกันที่ห้อมล้อมตัวเราอยู่ก็อากาศเดียวกันที่อยู่ภายในตัวเราหล่อเลี้ยงร่างกายอยู่อากาศเดียวกันสังเกตดูจุดที่มันจะเข้าจะออกหนนคือตรงจมูกของเราตั้งจิตของเราไว้ณนะที่ตรงนี้ไม่ต้องเกรง ไม่ต้องบังคับไม่ต้องตั้งใจเกินไปถ้าเพ่งถ้าตั้งใจเกินไปมันจะปวดหัวมันจะเกรง็งปล่อยยังเป็นธรรมชาติสบายสบายสบา ย, บ า, ยาตังแต่พื้นเตาจนถึงปลายผมสบายสบายจากปลายผมจนถึงพื้นเตาไล่จากข้างในคือกระดูกทุกชิ้นเส้นเอ็นทุกเส้น ความเนื้อทุกมัดของเหลวทุกหยดไม่ว่าจะน้ำเลือดน้ำเหลืองผิวหนังเส้นขนจนถึงใบหน้าทั้งหมดให้ผ่อนคลายให้รีแล็กซ์ให้ทำอย่างสบายๆไม่ต้องเกรงพอเพราะอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของเราตัฝังจากภายนอกคือผิวหนัง ไปจนถึงของเหลวทุกหยดกล้ามเนื้อทุกมัดเส้นเอ็นทุกเส้นกระดูกทุกชิ้นเซลล์ทุกเซลล์ให้มีความผ่อนคลายเย็นสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับนั่นคือกายของเราแล้วจิตของเราอยู่ที่ไหนหาดูเราเหลือช่องทางเดียวคือทางใจ เราปิดทางกายไปหมดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งอะไรที่มันจะมาเป็นใบหน้าเราปิดไปแล้วเหมือ น, นคือรูปเสียงกลิ่นรสและปัจจุภัในภายในเราก็สังเกตดูหมดแล้วนั่นคือกายของเราทุกส่วนตาหูจมูกลิ้นกายทุกส่วนเราสังเกตดูหมดแล้วปิดแล้ว เลือช่องทางใจทางเดียวใจอยู่ตรงไหนธรรมารมอยู่ตรงไหนฟังดีนะรูปนะกับตาใช่ไหมโตภตากะกับกายถูกปะะ่ะล่ะเสียงกับกหูนะ่ะภายนอกคือรูปเสียงโตภตาภะนี่เราปิดหมดแล้วอยู่ในเสนาสะนะสังัดแล้วภายในคือตาหูจนถึงกายทั้งหมดนี่เราสำรวจหมดแล้ว ภายในภายนอกเหมือนกันนะสำรวจสังเกตปนคลายไม่เพ่งไม่เกรงดูหมดแล้วใจอยู่ตรงไหนธรรมารมอยู่ตรงไหนธรรมารมอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นใจอยู่ตรงไหนธรรมารมก็อยู่ตรงนั้นเพราะมันเป็นน้ำธรรมฟังทั้งธรมารมทั้งใจ ต่างก็เป็นนามอยู่ตรงไหนก็ได้เราคิดเรื่องอะไรมันไปตรงนั้นทันทีเราปรุงแต่งอะไรยังไงรู้สึกตรงไหนมันไปตรงนั้นทันทีเพราะมันเป็นนามการรับรู้ไปอยู่ตรงไหนจิตมันไปตรงนั้นทันทีการรับรู้นั่นคือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้อยู่ตรงไหนจิตใจธรรมารม มันไปตรงนั้นทันทีเพราะว่าการรับรู้คือวิญญาณมันก็คือธรรมารมอย่างหนึ่นงนะท่ฟังจึงเปะะ็นไคุณรับรู้เสียงเข้ามาผ่านทางหูเสร็จแล้วมันก็มีโสตวิญญาณสามอย่างรวม ก, กันคือผัสสะผัสก็เป็นธรรมารมอย่างหนึ่งธรรมารมอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้นถูกเปะละ่ามีธรรมารมตรงไหนใจตรงนั้นจิตมันก็ไปเกลือกกลัวตรงนั้นทันที ในที่นี้เราปิดหมดแล้วนะเหลือช่องทางใจอย่างเดียวใช่ป่ะลนะ่ะคราวนี้เราให้การสังเกตของเราเนี่ไม่อยู่กับลมสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่เป็นทางเข้าออกของลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเสร็จแล้วสังเกตดูไม่ต้องตามลมคราวนี้ ให้สังเกตดูนะที่ตำแหน่งต่างเข้าต่างออกของหลมเมื่อคือในโปร่งจมูกสังเกตดูสัมผัสให้ดีมันจะเบาบ้ า, บางมันอาจจะแรางบ้างชัดเจนบ้างมันมีอยู่เขาตรงตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละตั้งจิตกเราไวนะที่ตรงนั้นคำว่าตั้งจิตไว้หมายถึงเมื่อค่อยสังเกตดูอยู่นะที่ตำแหงนั้น เหมือนเขาตั้งป้อมไว้ตรงนั้นนะ่ะตรงที่จะเป็นทางเข้าทางออกเขาก็หาที่สร้างป้อมยามขึ้นสร้างป้อมขึ้นแล้วก็เอายามมานั่งไว้อยู่ตรงนั้นคอยสังเกตดูคนเข้าคนออกเราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งนี้สังเกตดูอารมณ์สังเกตดูจิตของเราจิตของเรามันจะเคลื่อนที่ไปมาตามอะไร ถามแต่อะไรที่มันจะดึงมันไปก็มีแค่หกตางี้แหละที่มันจะดึงไปเสียงผ่านทางหูดึงจิตไปได้เดี๋ยวกลิ่นก็มาดึงจิตผ่านทางลิน้นใช่ปะ่ะไม่ใช่ตรงจมูกรสอาหารจะมาดึงจิตผ่านทางลิน้นถึงจะถูกในที่นี่เราคอยสังเกตดูจิตมันจะไปตรงไหนสังเกตดูอยู่ตรงลหมหายใจ การสังเกตดูนั้นคือการตั้งสติขึ้นสติคือการสังเกตได้คือการคอยสอดส่องดูแลคือการที่คอยจ้องมองอยู่ไม่ตามไปไม่ตามเสียงที่มากระทดไปไม่ตามความคิดที่ไหลเลื่อนเคลื่อนมาไม่ตามภาพที่เห็นการไม่ตามไปไม่เปลอไปนั่นคือสติ สติเรานึกถึงไว้อยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหาใจออกณนะที่ตำแหน่งทางเข้าทางออกของลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังทำอย่างสบายๆ ส, สังเกตดูเฉยๆไม่ต้องบังคับด้วยไม่ต้องตามด้วยไม่ต้องบังคับให้คิดหรือไม่คิดหรือต้องคิดเรื่องนี้หรือต้องคิดเรื่องไหน มันจะคิดเรื่องไหนมันก็มามันก็มาเถอะจะจิตไปไหนมันก็ไปแลวแต่ว่าสังเกตด้วยเฉยนี่สังเกตดูยเฉ ย, ยเนี่ไม่ตามไปนี่ให้ความที่จิตมันจะเผลอไปตามไปเพลินไปมันจะเบาบางลงเบาบางลงก็สังเกตดูสิมีธรรมารอะไรผ่านมาบ้างแต่ไม่ตามไปสังเกตดูสิมีเสียงอะไรผ่านมาบ้างแต่ไม่ตามไปนี่ความเพลินไป ความคลอยเคลื่อนไปมันจะลดลงลดลงเพราะว่ามันจะสวนทางกันกับสติที่จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราสังเกตดูอะไรอยู่ที่เดียวนะตั้งวันนะสิ่งนั้นจะมีพลังเพราะว่าเป็นการจดจ่องไงเหมืนกูเอาเว่นขยายนี่รวมแสงไว้แม้แต่ว่าถ้ามือมันขยับไปขยับมาให้จุดรวมแสงมันก็จะไม่ค่อย จะรวมได้เต็มที่ระยะอาจจะเคลื่อนบ้างความร้อนสะสมไม่พอบ้างไม่ได้ไงเราจึงต้องนิ่งนิ่งนิ่งๆิ่งกัไว้ทำมือให้หมันนิ่งๆิ่งเวลารวมแสงแดดผ่านเลนส์นูนนี่แ ว, ว่นขยายมาต้องนิ่งนิ่งปรับจุดโฟกัสจุดรวมแสงให้ดีอย่าคลื่อนมือไปมา ทั้งบนล่างซ้ายขวาจ่อเอาไว้ตรงๆนิ่งๆเนีความร้อนสะสมมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่เลยนะไฟลุกได้นะความร้อนสะสมที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่แหละทุกฝังมันคือกําลังของสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราตั้งสติของเราไว้แค่สังเกตดูลม ไม่เคลื่อนคลอยไปตามสิ่งต่างๆที่ผ่านมาไม่ใช่วันจะไม่มีมานะอย่าไปสับสนเกิการที่ว่าเ้ยทำสมาธิแล้วจะต้องไม่คิดนึกอะไรเลยไม่ใช่คิดนึกอยู่แต่ไม่ตามความคิดไปสังเกตดูอยู่กับลมคือไม่ลืมลมไงเราพูดคุยเดินทางดูสิ่งต่างๆนั่นนี่แต่ไม่ลืมลม มังคนสามารถถึงขั้นฝึกขนาดว่ากินอาหารพูดคุยสังเกตดูสิ่งต่างๆฟังนั่นนี่ก็ยังไม่ลืมลมได้ทำได้นะท่านผู้ฟังแล้วตอนคุณกินอาหารคุณดูสิ่งต่างๆฟังเรื่องราวไม่ได้หายใจเหรอก็หายใจนั่นแหละหายใจแล้วทำไมจะมารู้ถึงลมไม่ได้ก็ได้สิแต่ว่าด้วยความชำนาญที่ไม่เท่ากัน จึงทำให้การสังเกตนั้นมีกำลังแตกต่างกันกำลังที่จะเกิดขึ้นหรือลดลงได้มันก็มาจากความชมนานาญที่ฝึกที่ทำเอาการฝึกการทำเอานี่แหลตะตม้วังมันจึงทำให้ประเสริฐทันโตเศธโถมโ น, นเสสิจะเริญได้นะพัฒนาได้ประเสริฐได้นะคือเศโธนี่ ด้วยทันโตคือการฝึกการทำทันตะทันตานี่จะแปลว่าการทรมานก็ได้การฝึกก็ได้ความพยายามที่จะอดทนในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้มีความหมายมาจากคำนี้คำเดียวการฝึกมันจึงเป็นเหมือนกับการทรมานคือทีนี้ปอเราใช้คำว่าทรมานทรมานใน ในัยยะความหมายที่เป็นการล่วงละเมิดเนี่ยมันก็จึงทำให้คํานี้มันเปลี่ยนแปลงความหมายไปนในทางไม่ดีแต่ว่ามันหลักการเดียวกันนะสมมติเราตัดการล่วงละเมิดออกไปจะฝึกให้มีกําลังขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่สบายๆนะถ้าบอกว่าสบายๆมันกลายเป็นความเผลอเลิๆแต่ก็ไม่ใช่บังคับขูเห็นนะ่ะ บังคับขู่เข็นทรมานทรมกรรมล่วงละเมิดมันก็สุดตรงไปข้างหนึ่งแต่คำสอนของรรพระพุทธเจ้านั้นไม่สุดตรงไปทั้งสองข้างไม่ตรงไปถึงขนาดปล่อยสบายๆไม่ต้องบังคับอะไรกันเลยหรือก็ไม่ตรงไปจนถึงต้องกู่เข็นตะคอกทําสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมล่วงละเมิดไม่แต่ให้มีการฝึก ให้มีการกระทมซึ่งมันต้องใช้ความอดทนมันต้องอยู่ในสถานการณ์มันจะต้องฝืนบ้างมันจะต้องมีการทรมานบ้างมันจะต้องมีการควบคุมมีการบังคับถอยมาจากการบังคับนิดนึงนั่ น, นแหละอย่าบังคับแต่ต้องควบคุมอย่าทรมานทรกรรม แต่ต้องรู้จักฝึกให้ดีคือมันต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะถ้าเราจะบอกว่าคอมฟอร์ตโซนคือโซนที่เราอู้อยู่สบายๆหมายหมายคุณต้องออกไปนิดหนึ่งออกไปนิดนึงจนเกือบจะทรมานทรกรรมแล้วอเอาตรงนั้นศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า stretch คือยืดออกแต่อย่าให้มันขาดแม้แต่ถ้าไม่ยืดออกมันก็ไม่ขยายตัวไงมันก็ไม่ใช่การฝึกไง สบายสบายมันฝึกยังไงอ่ะเอาแต่นอนแล้วกี่เกล่ะก็สุดโตงไปข้างนั้นแต่ยืดจนมันขาดนอนนอนหรือมันจะพังมันจะเสียของจิตเราเหมือนกันนะตั้งมาฟังนะก็เราสบายสบายมันไม่ได้นะแต่ว่าอย่าให้มันถึงขนาดว่าขาดแตกไปแต่ต้องรู้จักฝึกตั้งให้อยู่ในสถานการณ์ต้องรู้จักที่จะออกจากค่มฟัดโซน ถ้าคอมฟอร์โซนของเรามันคือนอนหลับสบายต้องอย่าทําอย่างนั้นถ้าคอมฟอร์ตโซนของเรามันก็คือนั่งสมาธิสิบนาทีต้องทาให้กว่านั้นถ้าคอมฟอร์โซนของเรามันคือนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งทาให้ดียิ่งขึ้นออกจากคอมฟอร์ตโซนยืดออกนันคือการทรมานทานใจคํำนี้ท่านโตท่านโตหมายถึงการฝึกการฝึก ก็คือใช้สับวัทรรมานแต่ไม่ใช่ทรมานตรกรรมที่เป็นการล่วงละเมิดแต่ให้ยืดออกต้องมีความดิสคอมฟอร์ตคือไม่สบายบ้างต้องมีการที่ว่าทรมานบ้างก็งมีการที่เรียกว่าบังคับบ้างถอยจากนั้นนิสหนึ่งเอาตรงนี้นิกือตามสายกลางจะทําทจิตก็เราให้ประเสริฐขึ้นมาได้จดจ่อไว้แต่ยเพ่ง เพ่งเอาไว้เปรอย่าบังครับคิดพัฒนาฟังคงจะเข้าใจนะคงจะเข้าใจตั้งสติไว้ให้ดีเพอเรารวบรวมจิตของเราเข้ามาได้เวลาจิตของเราที่ไม่เผลอเปลิ่นไปตามเสียงบ่านทางหูความคิดนึกธรรมารมผ่านทางใจแล้วนี่มันจะไปไหนเล่ามันก็จะระงับลงระงับลงอันนี้เป็นธรรมชาติของเขา ไม่ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวตามจับตามล่าใช้แหใช้บวงมันไปจับได้ง่ายจิตมันเป็นนาำ ม, มันไม่ได้จับได้อย่างนั้นแม้แต่เวลาที่เขาจะไปจับช้างหรือม้าที่เป็นช้างพันธุ์ดีม้าพันธุ์ดีมีลนะักษณะความเป็นมงคลต่างๆนี่ก็ไม่ได้ไปจับด้วยวิธีใช้แส้ใช้ขอใช้บวงอะไรด้วยซ้ำนะเขาต้องเอาช้างหลวงนี่ หรือม้าหลวงที่ฝึกดีแล้วเนี่เข้าไปในป่าด้วยกันช้างป่าม้าป่าเห็นช้างหลวงม้าหลวงแล้วก็จะงงนเวย้ยทำไมช้างนี้ลักษณะมันสง่า ง, งามนะ น, นี่นะเออมันมันดีนี่แล้วเขาจึงค่อยเอาเชือกคล้องเฉยๆแล้วก็พาเดินกันออกมาเหมือนกันนะจิตของเรานี่ธรรมวังจิตของเรานี่จิตของธรรมฟัง บาง ท, มทีมันอาจจะมีความประยศความเสปพดิ้นรอนฟุ้งซ่านบ้างงุ่นง่านบ้างมีความไม่สงบบ้างขี้เกียจบ้างง่วงบ้างนี่พอมาได้ยินได้ฟังว่าเออฝึกได้นะธรรมะเนี่มันสมาี่มันเป็นได้นะนี่นะจิตใจเนี่ยมันน้อมไปในการที่อยากจะฝึกอ่านั่นๆๆจิตใจของเราที่มีความเป็นป่านี่มันน้อมมาแล้ว คราวนี้เราตั้งสติขึ้นแล้วตั้งสติขึ้นจดจ่อไว้จิตเราก็จะระงรับลงระงรับลงคือมันออกมาแล้วนะออกมาจากป่าสู่ที่โล่งแจ้งแล้วหูกจิตเราไวอยู่กับสติลมหายใจไม่ใช่สติลมหายใจเป็นเครื่องมือเฉยๆเวลาที่จิตเรามาฤกอยู่กับลมนั่งตังหก ความระลึกได้นั่นคือสติสติอยู่ตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้นจิตเนี่ยมันมีหลายร่างนะมันมีหลายขนาดอะไรมากระทบมันจีมน้มันเหมันกไปเลยเวลาที่ถ้าจิตเราไม่ลืมลมมันไปมันไปได้ไม่เต็มที่เวลามันไปมันก็จะมีบางส่วนบางภาคที่ไปไม่สุดเวลาไปไม่สุดสิ่งนั้นก่อนกำลังไง จิตอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นก็มีกำลังนะ่จิตอยู่ก็ลมสติก็มีกำลังสติที่มีกำลังขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตก็รวมลงรวมลงระ ง, งับลงระ ง, งับลงเราขุดเข้าไปขุดเข้าไปเราจเจอเจอตัวเงินตัวทองอยู่ตรงนั้นเราจี้จอลงมาในจิตของเราเพ่งเอาไว้เกือบจะบังคับแต่ไม่บังคับอยู่กัลมไม่บังคับความคิด จดจอไว้อย่างเดียวไม่เพ่งไม่บังคับแต่ไม่ปล่อยปละละเลยเราจะเจอจิตของเราอยู่ตรงนี้คุดลงไปให้เจอจิตของตัวเองสมมุฟังมีบางคนนะเกิดมาจนอายุ30 4ส50สหแล้วเนี่ยบางคนจะห0แล้วบางคน60กว่าแล้วด้วย โอ้บางคนกว่านั้นไปอีกนี่บางคนนะหว่างบางคนนี่ไม่เคยเห็นจิตของตัวเองไม่เคยเห็นจิตเจ้าของว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นแต่ความคิดเห็นแต่เสียงเห็นแต่ภาพและคิดว่าภาพนั้นเสียงนั้นความคิดนั้นเป็นตัวฉันเป็นจิตของตัวเองเห็นไม่ถูกนะคือไม่เห็นนะ คิดว่าฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันมีนิสัยอย่างนี้อันนั้นนะคือเห็นความคิดนะไม่ได้เห็นจิตนะเห็นลักษณะของอาสวะบ้างเห็นลักษณะของอุปนิสัยบ้างเห็นลักษณะของความคิดบ้างแต่ไม่ได้เห็นจิตของตัวเองจนกระตั้งบากฝึกทำตั้งสติขึ้นจนกระตั้งบากขุดมันลงไปขุดลงไปขุดลงไป ในช่องทางใจของเราเนี่แหละขุดลงไปขุดลงไปเหมือนเขาขุดหาตัวเงินทองในจอมปลวกนั่นแหละเจอปลูกนี่ยจะคิดว่าเป็นเจ้าตัวตวกรวดนะคนละตัวกันนะแต่ถ้าเราขุดลึกเพียงพอใช้เทคนิคที่ถูกต้องจะเจอจิตของเราได้จิตของเรานั้นมีความเป็นประปักษ์รคือมันจะมีความสว่างสวัย จิตที่มีความสว่างสวัยเป็นประวัติสอเจ้ามองก็ได้ปองใสก็ได้ก็มันก็ไปแทรกซึมอยู่กับความคิดคือจึงทําให้เราคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็ไปแทรกซึมอยู่กับไอเดียสิ่งของหรือแนวทางนิยบายหรืออุปนิสัยอันใดอันหนึ่งก็เลยทําให้คิดว่าอุปนิสัยนั้น แนวทางนั้นนโยบายนั้นความคิดนั้นมันเป็นตัวเรากองเรามันแทรกซึมเข้า ไ, ได้เ น, น, นี่นเนียนนุ่มนุ่มไม่รู้ตัวหรอกนี่คือลักษณะของจิตที่เป็นประพาสไงเด็กก็แทรกซึมไปอยู่กับรถก็ ค, คิดว่ารถนั่นเป็นตัวเราของเราเดกก็แทรกซึมไปอยู่กับบ้านอยู่กับสิ่งของ มันก็กลายเป็นติดที่อยู่ติดบ้านติดสิ่งของติดบุคคลติดอุปนิสัยอุปนิสัยนี่สำคัญนะระวันงนะบางคนก็มีนิสัยที่ว่าจะดูทีวีมานทั้งวันนั่งดูอยู่นั่นนะแล้วก็หลับคาเีโมด ต, ตื่นมา ก, ก็ดูต่อแล้วก็เปลี่ยนช่องไปเรื่อยนี่ก็อุปนิสั ย, สยอันหนึง่งบางคนก็อุปนิสัยเนี่ยไถอยู่กับโทรศัพท์รูดขึ้นรูดลง แล้วก็ดูคนนั่นสองคนนี้ดูไปเรื่อยๆมันก็เป็นอุปนิสัยนะบางคนก็กินเครียดก็กินสุขก็กินทุกข์ก็กินกินนี่คือกินอาหารเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยว่าฉันเป็นคนอย่างนี้หรือแม้แต่ความติดใจในรสอาหารชอบฟังเพลงแบบไหนชอบไปเที่ยวที่อะไรอะไรเหล่านี้เป็นอุปนิสัยเป็นแนวความคิดเป็นทิฏฐิทั้งสิ้นเลยตั้่า ที่ถ้าว่าจิตเรามันแทรกซึมเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะมันก็ติดอยู่ตรงนั้นก็ ค, คิดว่าตัวเนิรเป็นตัวเรากองเราจะไม่คนแบบนี้แหละทุกอย่างอะทุกฝังมันเป็นเรื่องของจิตที่มันไปติดอยู่ตรงนั้นทีนี้พอเราตั้งสติขึ้นแล้วใช่ปะตั้งสติขึ้นแล้วอุปนิสัยเนี่ยมันจะ kicks in คือมันจะเริ่มกระบวนการการ take action การกระทําขึ้นมา ตามแต่สิ่งที่มากระตุ้นนี่แต่ว่าถ้าจิตเราไม่เผลอไม่เปลินไปไม่เปลนไม่เปลิน ไ, ไปบ้าะอะไรนะเพราะมีที่ตั้งที่เราถึงอยู่ะ อ, ยอะไรลไมหายใจไงพอเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งสติไว้ให้ได้อย่างมีกําลังไม่เปลินไปตามเครื่อ ง, องล่อคือสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นอุปนิสัยลักษณะแพทเทิร์นที่มันมีมาจิตเราไม่ตามไปตรงนั้นไง พอจิตเราไม่ตามไปเพราะมันแยกออกไงพระมันแยกออกไม่ตามไปสิ่งนั้นอ่อนกำลังลงไงสิ่งนั้นอ่อนกำลังลงเราจะเห็นจิตของเราเนี่ชัดเจนขึ้นให้เห็นจิตของตัวเราเองตูบฟังที่จิตนั้นมีความเป็นปรปัสอนไม่ต้องจินตนากรงจินตนาการอะไรอะ่ะเพราะมันไม่ใช่จินตนาการนะการฝึกจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่ว่าเพียงปริตรึกคิดนึ เอาแล้วมันก็ได้นะอล้วเราจะรู้เรื่องว่านี่มันไม่ใช่เป็นเพียงความคิดว่าจิตเรา ม, มีความประพัฒสอนก็คุณมีสติปัญญามันแตกต่างกันตรงนี้ถ้าเราเพลินไปตามความคิดว่าฉันทําได้นั่นคือเพลินนั่นคือไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติตั้งสติเอาไว้นั่นคือไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดแต่มีสติจริงๆ แล้วแต่มาสติมันจะมาได้ไงอ๋อมันก็มาจากศรัทธามาจากศีลมาจากความเพียรนี่ไงความเพียรที่คุณขุดลงไปขุดลงไปนี่สติตั้งเอาไว้สมายที่มันก็เกิดขึ้นกำลังก็มีมาทําไมคุณถึงจะมาทําความเพียรก็ศรัทธาไงศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าไม่ใช่ศรัทธายัางไม่มีปัญญาศรัทธาแบบรูปกรามกลมอ่ อ, อนบอลอย่างเดียว คิดอันนี้มันจะได้จะได้แหมแต่ถ้าอ้อนบอนอย่างเดียวมันสตาร์หัวเต่าเพราะไม่ได้ลงมือทําเราก็ลงมือทําด้วยการลงมือทําจริงแน่แน่จริงนั่นคือความเพียรไงมีศรัทธาคือความมั่นใจอันประกอบด้วยปัญญาอย่างเหมาะสมแล้วจะมีการลงมือทําจริงแน่แน่จริงมันจะไม่ใช่งมง่ายละ่ะถ้าไม่เห็นด้วยตนเองดูลมหายใจเราเห็นเปล่าล่ะกระตาเราเห็นนั่นมันก็ ใช่ไหมล่ะมันก็มีสตินะคือมันเป็นนามเหมือนกันนะธรรมังนะไม่ว่าจะความคิดนึกไม่ว่าจะสติไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นธรรมารุมแบบไหนวิญญาณอะไรพวกเนี้มันเป็นนามเหมือนกันทั้งหมดเราจะแยกแย่ออกไม่ได้ทั้งสติขึ้นตํรมังสตินอกจากสังเกตแล้วมันจึงเป็นการแยกแยะ แยกแยะส่วนต่างๆในช่องด่างใจให้ออกจากกันแล้วจิตเราจะเห็นตรงนี้เลยเราจะเห็นจิตที่มีความเป็นปรปปสอนพอเห็นจิตแล้วจับจิตได้แล้วประคับประกองให้ดีต่ระวังระวังมันจะเคลื่อนไปอีกเพราะมันเป็นน้ำนะมันไม่เหมือนกับแจกันหรือว่าแก้วนะ แกเราใส่หน้ามาตั้งไว้ตรงไหนมะกุยงนั่นน่ะถ้าไม่โดนอะไรกระแทกมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเลยใช่ปะล่ะแต่จิตพอเราตั้งสติขึ้นแล้วมันรวมมารวมมามันอยู่ที่เดียวเนี่ยันคือเหมือนกับเราจับจิตได้แล้วมันตั้งอยู่งนั้นใช่ไหมเดี๋ยวมีอะไรมากระตุ้นมันนิ่งมันบว้บู้บไปเลยนะเดี๋ยวมีอะไรมาขยับมันนินึูบูไปเลยนะระวังประคับประคองให้ดี พระบุทธเาท่านจึงเปรียบเหมือนกับเวลาดีเราเอาหม้อใบหนึ่งน่มาใส่น้ํามันให้เป็นเต็มปรีจนถึงขอบปากหม้อเลยเรายกเดินเดือไปโอ้ระมัดระวังระมัดระวังอย่าให้มันโหกออกอย่าให้มันเฮียออกอย่าให้มันร้อยลงไปให้มันตั้งไว้อยู่ให้ดีจิตเราประครับประคองให้ดี้ดวยสติ ตั้งขึ้นแล้วจิต ท, ที่รวมกันมาเป็นประวัติสอนนั้นคือสมาธิท่านจึงบอกว่าบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะสามารถทําให้เกิดสัมมาสมาธิได้มีสัมมาสมาธิแล้วไงอ่ะจิตประวัติสอนแล้วไงก็กดูตรงที่มันประวัติสอนนี่แหละเห็นจิตแล้วใช่ไหมเพ่งเฉพาะซึ่งจิต ท, ที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้น เป็นอย่างดีเพ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีพอเพ่งที่จิตซึ่งตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบคาตบวังความวางเฉยมันอยู่ตรงนั้นทันทีทำไมอ่ะเอาก็ตอนนี้ถ้ามีอะไรมากระทบเป็นเสียงเป็นภาพเราไม่ไดจะรู้สึกสุขหรือทุกข์ ไปตามภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์หรือความสุขนั้นแล้วทำไมอ่ะก็เพราะเราเพิ่งเฉพาะซึ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีไงสมาธิแบบนี้มันคือสมาธิที่ไม่หวันไหวหรือเป็นอาเนเลยจัะเหมือนเวลาเขาฝึกช้างฝึกมา้าเขาจะเอากราะอันหนึ่งมาตั้งไว้ที่ระหว่างดวงตาของช้างหรือม้า แล้วก็ใช้หอกสัดซัดเข้ามาแล้วก็ให้คนทําเสียงอยู่โดยรอบทั้งสีทิศเสียงโหขึ้นโหขึ้นตีกลางตีคลองขึ้นให้ช้างหรือม้ามันสับสนไงพยายามหลอกแล้วก็เอาหอกสัดตีเข้าสัดเข้าพุ่งเข้าช้างหรือมา้าตัวนั้นต้องไม่ไหวติงอ่ะต้องนิ่งเลยการฝึกความเป็นอนาชาเนี่ก็ฝึกอย่างนี้ จิตเด้งเหมือนกันนะพอเข้าสู่สภาวะที่เห็นจิตเป็นปรมสอนแล้วเนี่ยเพ่งเฉพาะอย่างดีแล้วเนี่ยไอเสียงที่เราได้ยินมันก็คือเหมือนไม่ได้ยินนะความคิดนึงที่ผ่านมาเขาก็ผ่านไปนะ่ะภาพที่เห็นกลิ่นที่ได้ดมมันทําจิตให้เราเคลื่อนไปไม่ได้หรอกนี่คือสมาธิที่ลึกลงไปไงเพ่งเฉพาะสิ่งจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีอุเบกขาจะเกิดขึ้นแล้ว เอาอุเบกขาที่เกิดจากสมาธินั้นมาพิจารณาอุเบกานะเอาเจตีประวัติศาส น, นี่แหละมาพิจารณาพิจารณาดูตอนี้เราจะรับข่มมีและตัวังให้เกิดปัญญาไอ้เจ้าอุเบกขานี่มันเที่ยงหรเปล่านี่เดูตรงนี้ไอ้สมาธิเนี่มันเที่ยงหเปล่าเราตูตรงนี้เออสมาธิเที่ยงหรเปล่านะแ่ว่า ยังไม่เชื่องเอา้ายังมั น, มนดีนะเพราะว่าจิตมันสงบดีเพราะว่ามันน่าที่จะตั้งไว้จดจ่อไว้อย่าเพลินะอย่าเพลิอย่าเพลิลในสมาธิถ้าเราคิดว่าโอ้ดีมากเลยสปอรใจสบายใจนั่นคือเพลินไปในสมาธิถเราคิดว่าโอ้ทำยังไงดีไม่รู้จะทำไปทางไหนสมาธิมาแล้วนั่นคือโมหะโมหะเกิดขึ้นได้นมฟังในสมาธิ กุลปาวะถ้ายังไม่มีปัญญา ม, มันก็มีโมหานั่นแหละแต่จิตยังมีความเพลินมีความรักมันก็ไม่เป็นสมาธินั่นแหละแต่ตอนนี้จิตเราเป็นสมาธิแล้วปัญหามันอาจจะยังแทรกซึมอยู่อวิชชาแทรกซึมอยู่ทาให้เราบางทีก็เปลี่ยนไปในสมาธิบ้างบางทีเราก็ไม่เห็นว่าสมาธิเรามันจะไปยังไงต่อบ้างตอนนี้เราให้ทำการพิจารณานี้สเดียว นี่เดียวตรงที่ว่าสมาธิมันเที่ยงบาลังเปิดจิตที่ประปัดสอนเนี่ยมันเที่ยงไหมอุเบกขาที่มีมาเนี่ยมันเที่ยงเปล่าในสภาวะที่เราคงอยู่ดำรงอยู่แบบเนี้มันอยู่ได้ตลอดไปไหมเราไม่ต้องพูดถึงอนาคตเลยก็ได้เอาเท่าที่อดีตที่ผ่านมาก่อนอดีตที่ผ่านมาเนี่จิตเราเป็นอย่างนี้ไหม มีความเป็นประบัติสอนได้บ้างไหมมีอุเบกขาเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันคือก็ไม่ได้มีมาก่อนตั้งแต่เดิมนานแล้วหรือบางคนอาจจะเคยประสบการณ์นี้นานมาแล้ว1ิปีแล้ว20ปีแล้วเฮ้ยมันมีบางโมเมนต์นั้นที่ฉันบอกว่านิ่งไปเลยเนี่ยเออใช่โไม่ได้เคยเข้าถึงสภาวะนี้นานมาแล้ว เราก็แสดงว่าในเพียงช่วงที่ผ่านมานั้นมันมันเคยมีมามันหายไปหรือมันไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วมันปรากฏขึ้นนี่ก็ถ้าวันนี้มันมีขึ้นมันปรากฏขึ้นจากที่เมื่อก่อนมันไม่เคยมีมาหรือมีมาแล้วมันหายไปแล้วตอนนี้เกิดขึ้นอีกเอาแค่นี้แค่นี้ว่าที่ผ่านมามันไม่มีแล้วหรือไม่มีมันเที่ยงมาล่ะ เออจากที่ไม่มีกลายเป็นมีแฮะเอ้ยโอเคนี้แหลมันก็ไม่เที่ยงแล้วลักษณะความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยนะทุกังนะมันไม่มีแล้วมันมีมาแล้วก็มีมามันยังไม่ดับเน่มันไม่เที่ยงแล้วไม่ต้องไปรอให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดับไปก่อนเราะดูจึงจะค่อยบอกเอามันไม่เที่ยงนะไม่ใช่แต่มันไม่เที่ยงมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่ยังไม่มีแล้วด้วยซ้ำไรที่ถ้าว่ามันจะ มีเงื่อนไขแล้วมันถึงจะเกิดขึ้นได้นะมันไม่เที่ยงตแต่มันยังไม่มีมาแล้วหรือซ้ํายังไม่มีแต่มีเงื่อนไขนั่นแหะมันไม่เที่ยงแล้วมีเงื่อนไขแล้วจึงเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงด้วยเกิดขึ้นแล้วคงอยู่ยังไม่ดับไปแล้วก็ไม่เที่ยงอยู่ตรงนั้นน่ะดับไปหายไปแล้วหาตัวไม่เจอก็ไม่เที่ยงแล้วเหมือนกันน่ะมันไม่เที่ยงตั้งแต่ยังไม่เกิดตั้งแต่มีเงื่อนไขน่ะ ด้วยความที่ต้องมีเงื่อนไขแล้วจึงดับต้องมีเงื่อนไขแล้วจึงเกิดต้องมีเงื่อนไขแล้วจึงคงอยู่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยนั่นแหละต้มวาตังมันไม่เที่ยงแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะคำชมชมนี่ดีนะใช่เปล่าแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขไงก็คือจะชมคุณนะคุณทำอย่างนี้คุณทำอย่านี้เขาเขาชมคำชมนั่นก็เงื่อนไขมันก็ไม่เที่ยงด่าก็ด้วย โอ้โหทไม่ดีอย่างนั้นอย่างงี้เธอเขาจะด่าเลยาต้องมีเงื่อนไขในการด่าเขานะบางคนด่านี่ก็เพราะว่าไม่พอใจเรื่องตรงๆบ้างแต่เรื่องตรงๆแล้วเขาด่าเนี่ยนะเรื่องถูกๆดีๆแล้วเขาด่าเนี่ยเรื่องที่มีเหตุผลแล้วเขาด่าเขาอาศัยเหตุผลเป็นเงื่อนไขในการด่าใช่ไหมนั่นคือบัณฑิตนะบัณฑิตชี้ขุมทรัพย์ชี้ช่องให้เราเนี่ยคืเ อ, อเราควรจะเ ห, เห็นเหตุผลเงื่อนไขนั้นจะเป่า แต่ถ้าบอกว่าอาศัยเงื่อนไขที่ว่าไม่ใช่เหตุผลแต่เป็นความพอใจความชอบใจอคติอะไรต่างๆดาเนี่ก็คือคนพานเน่ยคนพานดามันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอ่ะไม่ต่างอะไรจากบัณฑิตาใช่ปะล่ะเพราะก็อาศัยเงื่อนไขปัจจัยแต่ไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่ต้องการจะชี้ให้แต่มนผู้ฟังเห็นตรงนี้ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างก็มีประโยชน์สิ่งที่ไม่เที่ยงบางอย่างก็ไร้ประโยชน์ สิ่งที่ไม่เที่ยงนะบางอย่างที่มีประโยชน์เราเอามาใช้ประโยชน์ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันนะบางอย่างที่ไร้ประโยชน์เราจะเอามาทำไหมเอามาก็ไงไร้ประโยชน์ไงก็อย่าเอามาใช่ไหมล่ะสิ่งที่มีประโยชน์เอามาทำไมก็เอามาก็มันมีประโยชน์ก็ใช้ประโยชน์ก็มายก่อนทีนี้พอใช้ประโยชน์ได้พอหมดประโยชน์กันนะท่านบวมันก็จากกันไปผลน้อเมันอยู่กันด้วผลประโยชน์จริงๆนะพูดตรงๆ ไม่ได้พูดเอาเรื่องตัวตนบุคคลเราเขาอ่ะเอาเรื่องอย่างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีประโยชน์ปะประโยชน์มากเลยนะบังดีที่สุดแล้วอ่ะในบรรดาการปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยก็ถามว่าตอนนิพพานเนี่ยคุณเอาศีลสมาธิปัญญาไปด้วยหรอไม่ได้เอาไปเลยหมดผลประโยชน์แล้วเหมดประโยชน์ก็แล้ว ก, ก็ทิ้งกันไปเคล้นเป ร, เรียบด้วยพ่วงแพ้นะพระพุทธเจ้าเนี่ย คำสอนต่างๆเปรียบด้วยพ่วงแผ่พอข้ามถึงฝั่งโน้นแล้วทำไงเหงอย่างดีก็ลากขึ้นมาบนบอกไว้ไม่มีอ่ะใครก็จะเอาแผลนั้นทูลหัวเทินเดินต่อไปด้วยนะเหมือนประโยชน์แล้วเขาขทิ้งเขาแล้วล่ะยิ่งถ้าไม่มีประโยชน์ที่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็ถ้าอะไรที่มันไม่เที่ยงนะทุกฝั่งมันมีโทษตรงนั้นแหละอะไรที่มันไม่เที่ยงนะ่ะทุกฝังนะมีโทษตรงนั้นแหละ โทษที่มันแฝงมากับประโยชน์ที่จะได้รับเราดูสัดส่วนตรงนี้ตัว น, นั่นเองสิ่งที่มีโทษแล้วก็ไร้ประโยชน์อย่าเอามาเลยมันไม่ดีนั่นคือสิ่งที่เป็นอกุศลและทำทั้งหลายการข้องเกี่ยวกับคนพานการที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ดีมีความเห็นผิดไม่เที่ยงด้วยไร้ประโยชน์ด้วยเอาสิ่งที่มีประโยชน์แต่ไม่มีโทษแฝงอยู่นิดหน่อยนะแต่ยังมีประโยชน์มากอยู่ นั่คือกุศลธรรมต้องหลายกุศลธรรมศีลสมาธิปัญญาเมตตากรุณาสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีโทษของมันอยู่โทษของมันคือความไม่เทียเท่ยงเมตาก็ไม่เที่ยงอเบกคาก็ไม่เที่ยงแต่มีประโยชน์ที่ทําให้จิตกอรนั้นฝึกได้มีประโยชน์ที่ทําให้จิตกอรนั้นระ ง, งับลงมีประโยชน์ที่ทําให้จิตกอรนันมีความเข้มแข็ง ความเข้มแข็งเองตัวจิตเองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันะมันมีโทษในตัวมันอยู่ให้เราเห็นข้อ น, นี้นะทวกวางคือคนที่ไม่มีปัญญาหรือไม่มีดวงตาหรือไม่มีแสงสว่างในการที่จะมองเห็นได้เทียบเคียงระหว่างประโยชน์และโทษรู้ถึงสัดส่วนอย่างใดแล้วไม่เห็นเนี่ยนะมันก็จึงใช้ประโยชน์ไม่เป็นไม่เข้าใจสถานการณ์ แต่ถ้ามีดวงตามีปัญญาซึ่งมันฝึกได้เปิดได้คนเ้าชี้ให้ดูอยู่ทำให้แจ้งไงของที่ควา่าส่องสว่างให้เห็นอ่าเห็นแล้วเนี่ยเห็นถึงความไม่เที่ยงด้วยเนี่ยเห็นถึงประโยชน์เห็นถึงโทษของมันด้วยเนี่ยเห็นถึงความร้ายกาศเห็นถึงสิ่งที่จะทำให้ดีได้เนี่ยแยกแยะออกแล้วแยกแยะออกแล้ว ความที่เราจะไปยึดถือในอะไรเลยก็ตามเนี่ยนะมันจะเบาบางลงเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตไงทุกฝังที่ถ้าบอกว่าชอบพอสิ่งใดมันจะยึดถือในสิ่งนั้นทันทีเราเพลินไปในสิ่งใดเราจะมีความยึดถือในสิ่งนั้นทันทีเพราะว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานท่านบอกไว้ เราปลื้มเปลินด้วยสิ่งใดแม้น้อยก็ตามความยึดถือแม้น้อยก็ตามตต น, น, นั่นแหละก็เกิดขึ้นตรงจุดนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่ยึดถืออะไรเลยนี่จะไม่คิดถึงยังไงะก็เพราะว่าเราไม่เปลินไปในอะไรเลยเราจะไม่เปลินได้ไงนะ <ird arem. S 2> ตังสนะตงสิไว้ซิความเปลยนแม้น้อยๆอยนะระวังจะไม่ให้เปลินไปได้ <c oughs> เห็นโทษของสิ่งนั้นโอ้จิตของเราเนี่ก็ไม่เที่ยงนะนี่นะจิตของเราที่มีความเป็นประบาดสอนนี้นั้นก็ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวก็ที่มันประพัดสอนนี่แหละเศร้าหมองก็ได้ไงแกสกซึมก็ไปในสิ่งที่เป็นอกุศลก็มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตพองใสก็ได้เดี๋ยวว่ามันไปแทรกซึมในสิ่งที่เป็นกุศลมีสติมี ส, ส, ม, า ส, ม, สมาธิมันก็พองใสขึ้นมาจิตนี่จิตเศร้าหมองก็ได้พองใสก็ได้เดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ สิ่งที่มากระทบแต่มีเสียงมากระทบจิตผ่านดังหู้มันก็เป็นไปอย่างหนึง่งความคิดนึกทำมารมากระทบจิตผ่านต่างใช้เดี้ยวมืันก็เป็นไปอย่างหนึง่งเออมันเปลี่ยนแปล ง, ปลงได้นะี่เนี่ยไม่เที่ยงนะนี่นะถามท่านมาฟังอย่นี้นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเอาแค่นี้เลยทําความเข้าใจแค่นี้เลย สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าคือไม่ต้องคิดเองก็ได้ดูเฉลยดูโพยแล้วตอบดูโพยดูเฉลยเหมือนลอกข้อสอบนะมันจะไปยากอะไรคือจะวักโกงก็ได้นะคือช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะว่าอย่งนี้ดีกว่านะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วท่านมาบอกคาตอบของข้อสอบนี้ไว้ให้แล้ว อย่าว่าโกงเลยก็ได้ว่ามีตัวช่วยแล้วกันท่านบอกไว้ให้แล้วว่ามันเป็นทุกข์นะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าท่านบอกไว้แล้วมันเป็นทุกข์ลอกตามเลยใช่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เอาแล้วถ้าเราจะมาหาความสุขจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันจะถูกหรือป่าละ่ะมันจะถูกเร่รมันจะใช่ไหม เออมันจะไม่ใช่นะมันจะหาไม่เจอเจอก็จะเป็นของจอมปลอมไงถ้าเราจะหาความสุขจากจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอคือเจออยู่แต่เป็นของปลอมถูกหลอกไงกูจึงบอกว่าจิตเนี่ยมันหลอกอยู่จิตที่มีความเป็นประภัสสอนนั่นแหละหลอกเราอยู่ให้เราเข้าใจว่าเนื้อเป็นสุขทั้งๆที่จริงๆเป็นยังไงมันเป็นทุกข์ทาไมอ่ะ เพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไงทําไมมันเป็นทุกข์นะก็เพราะมันไม่เที่ยงปะะ่ปล่ะเออใช่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไงแล้วสุขที่เราได้รับนี่มันคืออะไรเนี่ยคนที่นั่งสมาธิเป็นสุขไปกินอาหารเป็นสุขมีความพอใจตามได้ที่หวังในเป็นสุขนึ่งคือสุขจอมปลอมนึ่งคือสุขของปลอมปลอมเทียม ปลิลปล อ, อกไม่ใช่ของจริงเป็นของสมมุติเอาเฉยๆเป็นของลวงโลกเฉยๆเป็นของโลกของเขาเป็นของที่ไปตามเงื่อนไขปัจจัยสุกประเดี๋ยวประเดาสุกชั่วคราวเป็นเหมือนของยืมเขามายืมมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องคืนเนอะถึงเวลามันก็ต้องคืนไปเดี๋ยวเขาจะมาเอาไปนะ่ะมันเป็นของที่หลอกเฉยๆนะ มีชั่วคราวไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้เป็นของปลอมเป็นของสมมุติท่านจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์จิตที่มีความเป็นประตจส์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา เป็นตัวตนของเราคำตอบคือจะว่าโกงก็ได้หมายถึงว่าท่านบอกไว้แล้วไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดใหม่มันเป็นช่วงโปรโมชั่นให้ตัวช่วยเลยมันก็ต้องยึดถือไม่ได้แล้วว่าจะเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรไม่ควรไม่ควรไม่ควรไม่ควรสิ่งใดไม่เทียงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเราไม่ควรจะยึดถือวันนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรา เอตังมะมะเอโสาหาสมิเอโสามเอาสามเอตตาไม่ไม่ไ ม, ไม่ต้องเนตังมะมะคืออย่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเนโสหามัสสมินะเมโสอตตาอย่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่กองเราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตที่เราเห็นว่าเป็นกองเราของเรานั้นนะ มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราอาแล้วมันเป็นใครมันเป็นของโลกมันเป็นของปรุงแต่งมันเป็นของที่ตามเงื่อนไขปัจจัยไม่ใช่ของเราเอาแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีไม่มีจริงเป็นของสมมุติสมมุติขึ้นตามเงื่อนไขปัจจัยถ้าไม่เรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราเป็นของปลอนั่นเอง ดูสิว่าถ้าเราทํางานอะไรก็ตามอ่ะล้วก็จะบอกว่าคุณทํางานได้คนเดียวอ้าวแล้วก็ถ้าคนนั้นก็ตายไปเดี๋ยวเขาเขาหาคหนอื่นมาทำแทนได้ท่าฟังเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่มันก็ทําได้นั่นแหละอา้าวเรื่อไหนบอกคุณทำได้คนเดียวก็ดูอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีคนเดียวอะคนเดียวมันก็แค่เวลานี้เวลาเดียวเดี๋ยวก็มีพระพุทธเจ้าอื่นมาต่ออีกอะ ก็ก่อนพระพุทธเจ้าโคโดมก็ยังมีพระพุทธเจ้าเกสะปะมีพระพุทธเจ้า ว, วิปสัสสีต่อจากพระพุทธเจ้าโคตมะองค์นี้ที่ตั้งกฎบัริทิปานไปแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาอีกนะก็ดูสิอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่เที่ยงเลยนะ่ะยังมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาได้นะ่ะตัวเราเหมือนกันนี่แหละไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราของเรานะ่ะ เป็นตามเงื่อนไขปรใจใัจจัยเฉยๆวางซะวางซะวางความยึดถือในจิตนี้อย่าไปเข้าใจว่าจิตนี้เป็นตัวเราของเราฝึกอย่างนี้ในตัวฟังฝึกให้เห็นอย่างนี้ในตัวฟังฝึกด้วยปัญญาอย่างนี้นะเข้าให้ถึงแล้วฝึกด้วยปัญญาให้เห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างเนี้ยอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆ สตินี่มันจะทําให้เกิดการหลึกค้นได้สตินั้นจะมีวิมุติเป็นทดิเล่นไปสู่วิมุติก็จะมีนิพพานเป็นดิเล่นไปสูเราสับเข้าเราฟันเข้าเราขุดเข้าด้วยปัญญาซ้ําลงครั้งที่หนึ่งซ้ําลงครั้งที่สองซ้ําลงครั้งที่สมซ้ําลงครั้งที่สมันจะขาดออกความยึดถือนี่ขาดออกไม่ได้สติขึ้นใหม่ได้เพราะมันเหนียวฟันลงไปอีก ฟันลงไปอีกพิจะะนารณาด้วยปัญญาจอจี้ลงไปจิตไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนเป็นของโลกเขาเป็นของปลอมเทียมเป็นของหลวงตาเป็นของสมมุติวางให้ได้รักษาจิตที่เป็นสมาธิรักษาสตินิไว้ให้ดีและที่ท่านจะได้ฟังจบไปนั้นคือช่วงของจิตตะวิเว ในรายการธรรมรับรุนต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่รวมกันกันกบมูลนิธิปัญญาปาวดาจัดรายการโดยพระมหาไปบุญอาพีปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธิปัญญา o org p a n y a. O.R.G. ุฟังที่ต้องการจะฝึกทำฝึกปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามีภารกิจออนไลน์ถ้าให้ทำในการฝึกทำสมาธิตลอดเจวันสามารถร่วมฝึกกันได้เก็บแต้มบุญทำที่นั่งกอง้าให้เป็นทิพย์ด้วยการทำจิตกอง้าให้เป็นสมาธิอยู่ตลอด ให้ไปที่เว็บไซต์มีปัญญา .org m e ป a n y a .org ล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สุรินอร์